ไม่มีความประสงค์จากฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จากฆ่าไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่39สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จากฆ่าจึงชวนกันนวดเฟ้นท่านจนถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราเชกหรือหนอ